3. กุสลสูตรว่าด้วยตระกูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีมากมีบุรุษน้อยตระกูลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ใช้ม่อเป็นเครื่องมือปล้นได้ง่ายฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญแล้ว ไม่ทําให้มากแล้วภิกษุรูปนั้นย่อมถูกพวกอมนุษย์กําจัดได้ง่ายฉันนั้นตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมากตระกูลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ใช่ม่อเป็นเครื่องมือปล้นได้ยากฉันใดเมตาเจโตวีมุตที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจเจริญแล้วทําให้มากแล้วภิกษุรูปนั้นย่อมถูกพวกอมนุษย์กําจัดได้ยากฉันนั้น ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจากทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นสังสมปรารภดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุลสูตรที่สามจบ โอกระขาสูตรว่าด้วยการให้ทานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขโครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าบุคคลใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงบุคคลใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็น บุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ําหน่มโคบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ําหน่มโคหรือบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ํำน่มโคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล anyway. ้วสามครั <ucking> ้งในวันหนึ่งนั้น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 ต, ติสูตรว่าด้วยหอกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายหอกที่มีใบคมถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจะเอาฝ่ามือหรือกำมืองอพับม้วนหอกที่มีใบคมเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุรุษนั้นผู้สามารถจะเอาฝ่ามือหรือกำมืองอพับ ม้วนหอกที่มีใบคมโน้นได้หรือเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าการที่จะเอาฝ่ามือหรือกำมืองอพับม้วนหอกที่มีใบคมโน้นทำไม่ได้ง่ายและบุรุษนั้นพึงได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากทายเดียวฉันใดภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุต ที่พิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งทําให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารบดีถ้าอมนุษย์จะพึงบรรดาลจิตของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่านอมนุษย์นั้นแหละพึงได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเจริญเมตตาเจโตวิมุต จากทำให้มากทำให้เป็นดุดยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นสังสมปรารบดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สติสูตรที่ห้าจบ นุกขหะสูตรว่าด้วยการจับลูกธนูพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขโครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูสี่คนผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดียืนอยู่ในทิศทั้งสี่ถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจะจับลูกธนูที่นายขมังธนูสี่คน ผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดียิงมาจากทิศทั้งสี่ไม่ให้ตกถึงพื้นดินนำมาเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรควรจะกล่าวได้ไหมว่าบุรุษผู้มีความเร็วประกอบด้วยความเร็วอย่างยอดเยี่ยมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพียงแต่บุรุษจับลูกธนูที่นายขมังธนูคนเดียว ผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดียิงมาไม่ให้ตกถึงพื้นดินนํามาเท่านั้นก็ควรกล่าวได้ว่าบุรุษผู้มีความเร็วประกอบด้วยความเร็วอย่างยอดเยี่ยมไม่จําต้องกล่าวถึงนายขมังธนูทั้งสี่คนผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดีเลย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 ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ธนุกขหาสูตรที่หจบเจ็ด อนิสูตรว่าด้วยลิ่มพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีตะโพนชื่ออากกะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่าทศสาระหะเมื่อตะโพนแตกพวกกษัตริย์ทศสาระหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปต่อมาไม้โครงเก่าของตะโพนชื่ออากกะ ก็หายไปเหลือแต่โครงริ่มฉันใดภิกษุทั้งหลายในอนาคตเมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึง้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุทั้งหลายจากไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสาคัญทำว่าควรเรียน ควรท่องจำให้ขึ้นใจฉันนั้นแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสู่ที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาษิทิภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและจักสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจฉันใด แต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างก็จากอันตรธานไปฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไวล้าลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่าง เราทั้งหลายจักตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้อานิสูตรที่เจ็ดจบ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 ภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันผู้กษัตริย์ดิฉวีทรงใช้พระเหนยไม้หนุนพระเสียนและพระบาทเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรในการศึกษาศิลปะพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์คว้นมคตไม่ทรงได้ช่องได้โอกาสของกษัตริย์ดิฉวีเหล่านั้นแต่ในอนาคตผู้กษัตริย์ดิฉวีจกเป็นกษัตริย์สุขุมลราต มีฝ่าพระหัตต์และพระบาทอ่อนนุ่มบรรทมบนที่บรรทมมีพระขนยหนาอ่อนนุ่มจนดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคตจากทรงได้ช่องได้โอกาสของกษัตริย์ลิชวีเหล่านั้นในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายใช้หมอนไม้หนุนศีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่ มารผู้มีบาปจึงไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสของภิกษุเหล่านั้นแต่ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะเป็นสุขุมารชาติมีฝ่ามือและเท้าอ่อนนุ่มนอนบนที่นอนมีหมอนหนาอ่อนนุ่มจนดวงอาทิตย์ขึ้นมารผู้มีบาปจากได้ช่องได้โอกาสของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจากใช้หมอนไม้หนุนศรีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่เธอทั้งหลายพึ่งศึกษาอย่างนี้กลีงีระสูตรที่8ดจบ นาคสูตรว่าด้วยช้างเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศธธรษฐีเขกรงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุนวกะรูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนถือว่าท่านอย่าเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเลย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 ภิกษุนวกะรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านี้จากสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจะเข้าไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสระใหญ่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู่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 พวกมันลงสู่สะนั้นแล้วใช้งวงถอนเง้าและรากบัวขึ้นแต่ไม่ล้างให้ดีไม่เคี้ยวให้ละเอียดกลื่นทั้งโคลนตมการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกำลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นภิสุผู้เป็นเทระในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน เวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรก็ไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมในที่นั้นครืหัดทั้งหลายผู้เลื่อมใสทำอาการของผู้เลื่อมใสแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภลาบนั้นการกระทำอย่างนั้น ย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ทำตามภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นเหมือนกันเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาทยังบ้านหรือนิคมกล่าวทําในที่นั้นครหัดทั้งหลายผู้เลื่อมใส ทำอาการของผู้เลื่อมใสแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายกำหนัดหมกมุ่นพัวพันมีปกติไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาบนั้นการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกำลังของภิกษุนวะกะเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากไม่กำหนักไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคลาบนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นาคสูตรที่เก้าจบ พิลารสูตรว่าด้วยแมวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขโครงสาวถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนถือว่าท่านอย่าเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาเลยเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนแต่ยังไม่เลิกลําดับนั้นภิกษุจํานวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเดีกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ที่เอาไปในตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงไม่พอใจภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีแมวยืนคอยจับลูกหนูอยู่ที่กองอยากเยื่อข้างทางระบายคู่จากบ้านระหว่างเรือนสองหลังต่อกันด้วยคิดว่าลูกหนูนี้จะไปหาเหยื่อในที่ใดเราจักจับมันกินในที่นั้นต่อมาลูกหนูออกไปหาเหยื่อแมวก็จับลูกหนูนั้นแล้วรีบกัดกลืนลงไปลูกหนูก็กัดทั้งไส้ใหญ่และไส้น้อยของแมวนั้น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 ก็รบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุกคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงถึงความตายหรือทุกปางตายการที่เธอบอกคืนศิกขากลับมาเป็นขรรหัสนั้นจัดเป็นความตายในวินัยของพระอริยะการที่เธอต้องอาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งและการประพฤติวัดเพื่อออกจากอาบัตตามที่ต้องนั้นจัดเป็นทุกข์ปางตาย ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากรักษากายวาจาจิตตั้งสติให้มั่นคงสำรวมอินทรีย์เข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พิ่ลาระสูตรที่สิบจบ สิบเอ็ดสิคาลสูตรว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือเห็นพระพุทธเจ้าค่าสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโรคเรื้อนมันอยากจะไปทางไหนก็ไปทางนั้นอยากจะยืนที่ไหนๆก็ยืนที่นั้นๆ อยากจะนั่งที่ไหนๆก็นั่งที่นั้นๆอยากจะนอนที่ไหนๆก็นอนที่นั้นๆลมเย็นๆย่อมพัดโชยให้มันข้อที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ผู้ปฏิญาณว่าเป็นสักยะบุตรได้อัตภาพเช่นนี้เป็นการดียิ่งนักภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจัไม่ประมาท เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สิคาลสูตรที่11จบ 12. ทุติยสิคาลสูตรว่าด้วยสุนักจิ้งจอกสูตรที่สอง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนักจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายความกตัญยูกรตะเวทีบางอย่างยังมีในสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นแต่ความกตัญยูกรตะเวทีบางอย่างไม่พึงมีในภิกษุบางรูป ผู้ปฏิญาณว่าเป็นศักยะบุตรในธรรมวินัยนี้เลยภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้กตัญโยกะตะเวทีและอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลอื่นกระทำในเราทั้งหลายจากไม่เสื่อมสูญไปเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ทุติยสิกขาละสูตรที่สิบสองจบ รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. ปูตสูตร 2. นขนิกขขสูตร 3. กุละสูตร 4. โอกขะขาสูตร 5. สัตติสูตร 6. ทธนุขหาสูตร 7. อานิสูตร 8. กลิงคระสูตร 9. านาคสูตร 10. พิลาระสูตร 1ิสิคาลสูตร 12. ทุติยาสิคาลสูตรโอปั ม, มาสังยุตจบบริบูรณ์1ิภพิกุสังยุตธ์ 1. โกลิตะสูตร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 ท่านจึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกระผมหลีกเรนอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งได้เกิดความคิดปริวิตกว่าที่เรียกว่าดุษณีภาพอันประเสริฐ ด, ดุษณีภาพอันประเสริฐ ด, ดุษณีภาพอันประเสริฐเป็นอย่างไรผมได้มีความคิดว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วภิกษุในพระธรรมวิในนี้ได้บรรลุทุติยฌาน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 มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่กระผมนั้นเมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญาและมนสิการอันเกิด ร, ร่วมกับวิกตกย่อมฟุ้งขึ้นได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาผมด้วยฤทธิ์ได้ตรัสว่าโมคลานะโมคลานะผู้เป็นพรามอย่าประมาดูษนีภาพอันประเสริฐ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 โกลิตาสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อุปติสะสูตรว่าด้วยพระอุปติสสะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้น ท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านจึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดแห่งนี้ได้เกิดความคิดปริวิตกว่าโศกปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตพึงเกิดขึ้นแก่เรา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 เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระศาสดาหรือท่านผู้มีอายุโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ผม เพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแม่แห่งพระศาสดาแต่ผมมีความคิดว่าท่านผู้เจริญพระศาสดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีฤทธานุภาพมากอันตรธานไปแล้วถ้าพระองค์พึงดำรงอยู่ตลอดกาลนานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จริงอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรได้ถอนอาหารการ ม, ามังการและมานานุสัยหมดสิ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้นโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่ท่านพระสารีบุตรเพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแม่แห่งพระศาสดาอุปติสสูตรที่สองจบ